Thank you. ที่พูดไว้เมื่อเช้านะก่อนฉันว่าพวกเราในที่นี้บางคนนะก็สูญเสียพ่อแม่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เคยสูญเสียญาติผู้ใหญ่เช่นปู่ญาติตายายแต่ว่าแทบไม่มีเลยสักคนนะที่เคยสูญเสียในหลวงมาก่อนนะจนกระทั่งเมื่อวานวันนี้ ตอนที่รัชกาลที่8ปเสด็จสวรรคตเนี่ยก็70ปีมาแล้วนะคนที่อายุ80ปีเนี่ยถึงจะจำความได้แล้วก็จะยังเด็กอยู่นะก็จะยังไม่รู้สึกอะไระต้อง 85-90 เนี่ยถึงจะรู้สึกว่าเออเคยมีการสูญเสียในหลวงมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เมื่อวานแต่คนที่ 80-90 กนี่ก็ทุกวันนี้ก็เหลือน้อยเต็มทีนะในที่นี้ก็มีน้อยมาก จึงพูดได้ว่าส่วนใหญ่เรียกว่าคนเกือบทั้งประเทศ่นะเพิ่งได้พบกับวามสูญเสียในหลวงนะจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ส่วนใหญ่คนในชาติก็เกิดมาก็มีในหลวงแล้วก็อยู่ใต้บารมีของในหลวงแม้ว่าพ่อแม่จะเสียชีวิตไปนะก็ยังมีในหลวงนะเป็นประมุขของชาตินะ หลายคนก็จะอาจจะรู้สึกว่าในหลวงก็จะอยู่กับเราไปจนตลอดเพราะว่าตั้งแต่เกิดมานี่ก็ก็มีในหลวงแล้วยายผู้ใหญ่ตายไปพ่อแม่ตายไปก็ยังมีในหลวงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพอในหลวงเสด็จสวรรคตก็เชื่อว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยจะเรียกว่าคนทั้งประเทศเลยเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นกาพร้านะเป็นกาพร้าทั้งประเทศเลย การเป็นกนําพานี่ถ้ากัาพ้าพ่ อ, พอกัาพาแม่นี่ก็ผลัดกันเป็นนะผลัดกันเป็นไม่ได้เป็นกันทั้งประเทศนะแต่ถ้าหากว่าสูญเสียในหลวงครั้งนี้ก็เรียกว่ากัมพ้าทั้งประเทศเลยพร้อมๆกันเลยนะเพราะรู้สึกได้ถึงความอะไรบางอย่างที่มันหายไปจากชีวิตนะรู้สึกได้ถึงความสูญเสียบางอย่างที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราอาจจะรู้สึกเคร่งค้างนะ หรือว่าขาดที่พึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พวกเราไม่เคยประสบมาก่อนอย่างที่บอยมื่อชาเนี่ยคนที่สูญเสียพ่อเอออาจจะเศร้าโศกเสียใจมากนะแต่ว่าก็พอผ่านประสบการณ์นี้แล้วเนี่ยพอสูญเสียแม่น ะ, ะก็ทำใจได้หรือบางคนสูญเสียแม่มาก่อนนะก็เสียอกเสียใจแต่ว่าก็ทาให้พอมีประสบการณ์อยู่บ้าง พอมาสูญเสียพ่ออ้าวก็ทำใจได้แต่ว่าเิตงที่เกิดขึ้นนะเมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นความสูญเสียที่พวกเราหรือคนทั้งชาตินี้ไม่เคยผ่านพบมาก่อนนะอันนี้พูดถึงส่วนใหญ่นะ 99% ก็ว่าได้เพราะฉะนั้นก็ย่อมมีความเศร้าโศกเสียใจหรือว่าอะไรอวาวรณ์เป็นธรรมดาก็ไม่ต้องอ มามาสงสัยว่าทําไมเรามีความเสียใจอะไรอาวอนนะ ท, ทั้งทั้งที่ในหลวงของเรากา็ประชวนมาเป็นเวลาหลายปีนะอาการประชวนกับการที่พระองค์เสด็จสบวครคตนี้มันก็ต่างกันเยอะทีเดียวเหมือนกับที่เราเคยมีประสบการณ์นะพ่อแม่ป่วยนะพ่อแม่ป่วยแม่ป่วยหนักยังไง ถึงขั้นเห้อง ICU เนี่ยก็เป็นทุกข์อยู่นะแต่ว่ามันแตกต่างกันมากนะกับตอนที่เวลาท่านสิ้นลมนะไอตอนที่ท่านยังมีลมหายใจอยู่นะเราก็ยังรู้สึกอบอุ่นยังรู้สึกว่ายังมีที่พึ่งยังมีคนลักอยู่ ใ, ใกล้ๆยังมีคนที่เราจะาพูดคุยได้แต่ว่าพอ่พอแม่ของเราเนี่ยซึ่งป่วยหนักนะแล้วก็ สิ่นลมไปเนี่ยมันต่างกันเยอะเลยนะความรู้สึกต่างกันต้องเกิดความโศกเศร้านะอะไรอาวร์เพียงแต่ว่ า, าการความโศกเศร้าเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนไม่กี่คนแล้วก็ผลัดกันเป็นผนะลัดกันโศกเศร้าผลัดกันสูญเสียมันไม่เคยที่จะมีคนทั้งประเทศเนี่ยสูญเสียพร้อมๆกันแบบนี้นะันนี้บางคนก็ทำใจได้นะ คนที่ทำใจได้นะไม่โศกเศร้าไม่ไม่ร้องโ h ม m ร้องไห้เนี่ยก็ก็ดีแล้วนะแต่ก็ต้องให้เขาเขา้าอกเข้าใจคนที่เขาเศร้าโศกเสียใจบางทีก็ร้องห h o ร้องไห้นะต้องเข้าใจเขาเห็นต้องเห็นใจเขานะอย่าไปอย่าไปตำหหรือต่อว่าเขาว่าทำไมถึงเศร้าโศกเสียใจนะก็ไม่รู้หรือว่ามันเป็นธรรมดานะของโลกนะ อนี้เนี่ยนะอาจจะมีบางคนที่คิดแบบนั้นนะก็อยากจะให้เขาเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เขามีความเศร้าโศกนะอย่าไปสำคัญตนโอฉันมีธรรมะสูงนะฉันทำใจได้พวกเธอนี่ยังอ่าอ่าเป็นชาวพุทธเสียเปล่าหรือว่าเข้าวัดเสียเปล่านะยังอดกลั้นหรือว่าข่มใจไม่ได้นะ ความคิดแบบนี้มันเป็นความคิดเป็นอกุศล น, นะเพราะว่ามันแสดงถึงความไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจคนคนอื่นอันยามนี้เนี่ยถ้าเราไม่เศร้าโศกเสียใจนะพอทาใจได้ก็อย่าไปคิดว่าเออกูเก่งกูแน่นะให้เราเปิดใจในลักษณะที่เห็นอกเห็นใจนะคนอื่นว่าเขายังทำใจไม่ได้นะเราก็ มีความปรารถนาดีกับเขาเข้าใจเขานะไม่ไปต่อว่าเขาในทางตรงข้ามกับควรจะให้กําลังใจนะให้กําลังใจเพื่อให้เขานี่สามารถที่จะผ่านพ้นความเศร้าโศกไปได้ก็นี่คนที่เศร้าโศกเสียใจเนี่ยนะก็ก็ให้รับรู้นะว่าเออเรามีความเศร้านะไม่ต้องไปไปปฏิเสธผักสายความรู้สึกนั้นนะที่จริงมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะอย่างที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยเวลาเรา เศร้าโศกเนี่ยแล้วคนหนึ่งก็เศร้าโศกกับเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนทุกข์นะที่เคยกินแหนงแคลงใจกันที่เคยขุนข้องหมองใจกันบางทีความเศร้านี่แหละที่เรามีร่วมกันเนี่ยมันจะเชื่อมให้เราเข้ามาใกล้กันนะเพราะว่าเรามีความรู้สึกเดียวกันมีหัวอกหัวใจเดียวกันไอ้ความกินแหนงแคลงใจความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์เนี่ยมันก็จะก็จะบรรเทาเบ า, บาบางลง นะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนทุกนะแล้วก็พยายามนะใช้ความรู้สึกนี้เป็นประโยชน์นะคนที่เคยขุนข้องมองใจกันนะเคยเกียดชังกันนะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็อยากให้มองเขาอีกมุมหนึง่งนะว่าเออเขาก็เป็นเพื่อนทุกนะหลายคนนะพอที่เกียดชังกันเนี่ยนะอย่างเช่นคนที่เคยยกพวกตีกัน หรือคนที่ผิวสีต่างกันอย่างเช่นในอเมริกาเนี่ยผิวขาวกับผิวเหลืองผิวขาวกับผิวดำนักเรียนห้องเดียวกันแต่ว่าอ่ากันแกล้งกันบางทีก็ถึงกับจะทำร้ายกันเนี่ยพออาจารย์เนี่ยหรือครูเนี่ยนะาทำกิจกรรมเพื่อทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็เริ่ผ่านการสูญเสีย เช่นบางคนก็สูญเสียพ่อสูญเสียแม่บางคนก็สูญเสียคนรักไปจากไปกับการที่ทําร้ายกันนะอย่างที่คล้ายๆกับพูดนักเยนอาชีวะตีกันเนี่ยพอทุกคนได้รู้สึกว่าเอ้เราก็สูญเสียเขาก็สูญเสียนะเป็นเรียกว่าหัวอกเดียวกันแล้วเราจะโกรธกันไปทําไมเราจะเกียกกันไปทําไมก็เกิดรักกันขึ้นมานะีอันนี้ก็เป็นประโยชน์นนะของความเศร้าโศกเนี่ยที่เกิดจากความสูญเสีย มันสามารถที่จะช่วยทำให้เรารู้สึกเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนทุกกันได้นะถ้าหากว่าสูญเสียเหมือนกันแล้วนี่ก็ยังทะเลาะบ่อแวงกันนี่แสดงว่าเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะนะเพราะว่าไอ้ความเศร้าโศนเนี่ยมันควรจะทำให้เราเนี่ยรับรู้หรือว่ารู้สึกเป็นหัวอกเดียวกันนะหัวใจเดียวกันความเศร้าโศงมันนี้มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะ ก็คือมันทำให้เราตัวเล็กลงอันนี้มีประโยชน์มากสาหรับคนที่มีอัตราพองโตนะคนหลายๆคนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ากูเก่งกูแน่นะมันจะมีอัตราพองโตขึ้นมาโดยเพพาะคนเก่งหรือว่าคนที่ถือตัวว่าฉันเรียนมาสูงหรือว่ารวยกว่าเนี่ยแต่เมื่อก็ตามที่คนเราเกิดความเศร้าโศกขึ้นมาในใจเนี่ย มันจะทําให้เราเนี่ยนะตัวเล็กลงมันช่วยทําให้เรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นนะไม่อวดเก่งไม่วางกล้ามนอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะเพราะว่าคนเราถ้ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนบ้างเนี่ยมันก็ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อเร า, เ, าเกิดความเศร้าโศกเสียใจยขึ้นมานะก็ให้ให้ให้มองว่าเออมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะ อย่างแล้วก็ตามก็อย่าอย่าจมอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจนานนะเพราะว่าในเมื่อเราเศร้าโศกเพราะว่าเรารักในหลวงนะก็อย่าให้ความเศร้าโศกนั้นทําให้เราหลงลืมหน้าที่ของเรานหน้าที่ของเราอย่างนี้นก็คือการเป็นประสงนิกรที่ดีของในหลวงนะประสงนิกรที่ดีคือว่าการที่ทําหน้าที่นะทำประโยชน์นะทำ สร้างสารรค์คุณงานความดีทั้งกับตัวเองกับครอบครัวนะกับชุมชนของเรานะถ้าเรามัวแต่เศร้าโศกแล้วก็ซึมนะถ้าทอย่างถ้าเป็นสักวันสองวันก็ไม่เป็นไรนะธรรมดาของมนุษย์นะแต่ว่าถ้าเป็นนายกว่านั้นเนี่ยมันหมายความว่าเราละเลยหน้าที่ของเราแล้วนะเรากำลังทำตัวเป็นภาระกับคนอื่น เราต้องอสลัดไอ้ความเศร้าโศกออกไปนะเพื่อที่เราจะได้กลับมาดําเนินชีวิตตามปกติซึ่งหมายถึงการดูแลครอบครัวการทําหน้าที่การงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อประเทศชาตินะอันนี้ถึงจะเรียกว่าเราเรารักในหลวงจริงนะก็คือว่าเราไม่ใช่แค่รักแต่ปากหรือว่าศักแต่ว่ารักแต่ว่าเราก็พยายามทําตัวให้ ให้เป็นผสมที่กรที่ดีสืบสารปฏิทินของพระองค์ตามกําลังที่เรามีนะแล้วก็ตามก็เป็นเรื่องยากนะเพราะว่าคนเราเวลาเศร้าโศกเนี่ยเพราะความสูญเสียเนี่ยปกติแล้วก็ใช้เวลานะแล้วปกติแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีคนถึงคอยมาช่วยเราเช่นคนที่สูญเสียลูกคนที่สูญเสียพ่อแม่เนี่ยนะช่วงแรกๆนี่ก็อาจจะทําอะไรไม่ได้เลยนะ ก็ซึมเศร้าเจ้าจุกนะอาหารก็ไม่มีเลี้ยวไม่มีเรมีลังจะทำแต่ก็มักจะได้เพื่อนบ้านหรือว่าได้มิสหายนี่มาช่วยนะเขาไม่ได้สูญเสียนะเขาก็มีความเข้มแข็งเขามีเมตตากรุณาเขาก็มาให้กำลังใจเขาก็มาช่วยช่วยจัดบ้านช่วยหาอาหารมาให้นะอันนี้อาจจะเป็นประสบการณ์ที่เราเคยพบนะ เวลาเราสูญเสียพ่อสูญเสียแม่สูญเสียลูกแลก็มีเพื่อนบ้านคนนั้นคนนี้มาช่วยเราทําให้เราดําเนินชีวิตต่อไปได้แต่ว่าตอนนี้อย่างที่ว่านะตอนนี้เรียกว่ากัมพากันทั้งประเทศนะคนน้นก็คนน้นก็คนที่อยู่รอบข้างก็ล้นแต่สูญเสียทั้งนั้นเนี่ยนั้นจะหวังพึ่งให้คนอื่นที่จะมาช่วยเรานะีมันไม่ได้เราต้องรู้จักพึ่งตัวเองนะช่วยตัวเองให้ได้นะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเศร้าโศกเสียใจนาน ถึงแม้ว่าเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องต้องมีความอะลัยอวรนในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยพระปิยมหาราชเนี่ยท่านเสด็จสวรรคตเนี่ยตอนนั้นก็ร้อปีกับอีหกร้อปีนะมหาราชสองพระองค์นี่เสด็จสวรรคตเนี่ยห่างกันร้อยหกปีพระปิยมหาราชก็ สมเด็สวรคตปี2453นะตอนนั้นเนี่ย อ, อย่าว่าแต่คารวาเลยนะแม้แต่พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ก็เศร้าโศกเสียใจรัชการที่หกท่านทานเล่าว่าเนี่ยวันที่นิมนต์พระมาสวดสดนะับะกอนคืนแรกเนี่ยนะที่พระบรมราชวังเนี่ยอย่างที่กำลัง เ, เกิดขึ้นที่ตอนนี้แม้แต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชริรยามโดลโรดนะ ก็เสียงสั่นเครือนะเสียงสั่นเครือแล้วก็สะอื้นไปบางครั้งกมรมหลวงชินวอนศิริวัดซึ่งภายหลังก็ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชต่อจากสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยก็ก็สวดไม่ค่อยได้นะเพราะว่าด้วยความเศร้ามีบางองค์เนี่ยนะพระสมเด็จพระพุทโธโคสาจานี่นะสวดไปก็ร้องไห้ไปยิ่งพระธรรมวุรดมวัดวัดเบญจมาศวัวพิษเนี่ยก็ร้องไห้เหมือนคารวะเลย สมเด็จพระบรรทัดนะวัดโพวัดวั ด, วดหมหาธาตุก็สวดไม่ค่อยได้นะเสียงสั่นเครือนี่คือพระสงค์ชั้นผู้ใหญ่นะก็คือว่าท่านก็มีความเศร้าโศกเสียใจนะไว้ล้เนี่ยนะก็นับประสาอะไรกับคารวะนะอย่างพวกเราถ้าจะเศร้าโศกเสียใจบ้างนะจะจะมีน้ําตาไหลหรือว่าร้องไห้บางก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็อย่างที่บอกว่า อย่าอย่าเศร้าโศกนานเพราะว่าไม่ทำให้เราลืมสิ่งที่เราควรจะทำไม่ว่าการดูแลลูกการดูแลพ่อแม่การดูแลตัวเองนะการทำงานการทำหน้าที่บางคนนี่มวัวแต่เจ้าจุกอยู่หน้าคอมนะหรืออยู่หรือไม่เอาแต่ดูโทรศัพท์มือถือก็ดูอ่านเรื่องราวของความของผู้คนที่เขาบันทึกนะเกี่ยวกับความรู้สึกในยามสูญเสียเนี่ยมันก็ดีนะ แต่ว่าถ้าเราไปอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยก็ทำให้จมอยู่ในอารมณ์ความเศร้าโศกมากขึ้นจนถ้าไม่มีเรื่องไม่มีแรงทำงานที่จริงการลุลกขึ้นมาทางานที่ช่วยนะมีเพื่อนคนนึงเป็นหมอเนี่ยแกก็เศร้าโศกเสียใจยมากนะตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ตื่นขึ้นมาก็ไม่ค่อยมีเรื่องไม่มีแรงแต่ว่าต้องมีหน้าที่นะไปสอนไปสอนไปสอนอ่ นักศึกษาแพทย์ในชั้นเรียนก็ไม่รู้วจะไปสอนได้หรือเปล่านะเรียวแรงไม่ค่อยมีคือกายมีแรงแต่ว่าใจเหนื่อยนะแต่พอไปสอนเข้านะทีเวากระืดนะแต่พอสอนไปสอนไปเออเรียวแรงก็กลับมาเราเกิดความกระฉับกระเฉงขึ้นมานะไอความเศร้าความอาลัยก็หายไปเกิดความเกิดความกระตือรือร้นในการสอนแล้วก็เรียกว่าเกิดความสนุกในการสอนนะ แต่ว่าพอสอนเสร็จกลับไปหน้าคอมอา้าวเศร้าใหม่นะอันนี้ก็ต้องต้องรู้จักสลัดนะสลัดความเศร้าออไปอย่าไปเจ้าจุบอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะมากเกินไปนะต้องลุกขึ้นมาทํางานนะไม่ว่าจะเป็นงานบ้านที่เราเคยทํากิจวัตรนะที่เราเคยปฏิบัตริรวมทั้งงานการที่ต้องใช้ความคิดใช้สติปัญญา ก, ก็ก็ต้องทำนะอย่าละเลยนะเพราะว่า ไม่งั้นเราก็ไม่ได้ทำหน้าที่ในหลวงของเรานี่พระองเหนื่อยยังไงนะเหนื่อยกายนะแต่ว่าใจไม่ยอมเหนื่อยนะพวกเรานี่ก็ก็พยายามรักษาใจเราอย่ายให้เหนื่อยนะจะมีความอะไรอาวรด้วยความเพราะความสูญเสียก็อย่าให้จมอยู่ในอารมณ์ น, น, นิ่นานนิสสาวพวกเราเนี่ยซึ่งเป็นนักปฏิบัติเนี่ยนะที่นี่เนี่ยนะอันนี้ก็ ก็ถือว่าไอความเศร้าโศกความอาล่าวอนนี่มันก็เป็นเป็นแบบฝึกหัดของเรานะเป็นแบบฝึกหัดของเราเขาเขามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้นะได้เรียนรู้วิธีที่จ ะ, ะมีสติรู้ทันนะถือว่าเป็นเป็นการบ้านนะที่เข้ามาแต่ว่าเป็นการบ้านที่อาจจะยากแล้วก็เป็นเหมือนกับพายุใหญ่ๆนะ ลูกหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตในจิตใจของเราแต่เราก็อย่าไปท้อแท้นะก็ถือว่าเราจะรับมือกับความเศร้าโศกเสียใจอะไรอวร์อย่างไรอันะนี้เป็นการบ้านให้เราเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ยอมรับว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชนนะพอแม้กระทั่งพระสงค์องค์เจ้าอย่างที่ว่ามานี่นะท่านก็ยังมีความเศร้าแต่ว่าเราก็จะไม่ยอมให้นะมันอ่า มาเล่นงานเราเฉยๆนะหรือว่ามาคร่องงานจิตใจเราก็ถือว่านี่เป็นโอกาสในการที่จะฝึกสตินะเพื่อให้มีความสึกตัวไอ้ความเศร้านี่เราไปกดข่มมันไม่ได้ไม่ได้ผลนะสิ่งที่เราต้องทำคือรู้ทันมันเคยมีคนถามหลวงปู่ดุลอัตุโลนะซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกเลรกๆของหลวงปู่มัน่นแต่ไม่ได้ถามเรื่องความเศร้าถามเรื่องความโกรธถามว่าทำาังางถึงจะตัดความโกรธให้ขาดได้หลวงปู่ หลวงู่ดูนั่งก็ตอบว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันมันก็ดับไปความโกรธฉันใดความเศร้าก็ฉันนั้นนะอมันมาเพื่อเพื่อให้เราได้เรียนรู้เพื่อเราได้ฝึกสติเพื่อให้เราได้รู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรนะหลวงพ่ออมเขียนเคยพูดว่าในความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์นะฉันใดก็ฉันนั้นในความเศร้ามันก็มีความไม่เศร้านะ อันนี้เป็นการบ้านให้เราลองเฉลยดูว่ทาทำอย่างไรนะเมื่อมีความเศร้าเกิดขึ้นเราจะพบความไม่เศร้าซึ่งที่จริงสติมันก็ช่วยได้นะเพราะว่าเมื่อมีความเศร้าและเราไม่เห็นมันเข้าไปเป็นนะมันก็เป็นผู้เศร้าเลยแต่ถ้ามีความเศร้าเกิดขึ้นแล้วเราไม่เข้าไปเป็นเราเห็นไอ้ความเศร้าก็หายไปนะความไม่เศร้ามาแทนที่แล้วมันอยู่ที่เรานะ อารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เราว่าเราจะจัดการกับมันยังไงเราจะรับมือกับมันอย่างไรถ้าเรารับมือไม่เป็นไปกดข่มมันนะก็จะกลายเป็นผู้เศร้าไปโดยไม่รู้ตัวนะแต่หากว่ามันมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับมันถูกนะก็คือว่าเห็นมันนะการเห็นเนี่ยก็เป็นวิธีนที่ทําให้ความเศร้ามันกลายเป็นความไม่เศร้า หรือทําให้เราได้พบกับเออในความเศร้านั้นมันมีความไม่เศร้าอยู่อะไรเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าภายนอกหรือจิตใจเราเนี่ยมันก็ไม่สําคัญท่อว่าเราจะวางใจอย่างไรนะเราจะวางใจอย่างไรมีความเจ็บความปวดเออแม้เป็นความเจ็บความปวดที่กายนะแต่ถ้าหากว่าเออเรามีสติรู้ทันมันนะมันก็มีแต่ความปวดกายแต่ใจไม่ปวดอ่า เราก็สามารถจะเปลี่ยนความปวดให้กลายเป็นความไม่ปวดได้นะก็คือว่ามันปวดแต่กายแต่ใจไม่ปวดนะแล้วความเศร้าก็เช่นเดียวกันให้เราถือว่านี่มันเป็นมันเป็นการบ้านที่เราอ่าที่เราจะต้องเรียนรู้นะเราใช้มันให้เป็นประโยชน์แล้วขณะเดียวกันก็ใช้โอกาสนี้พิจารณานะถึงความจริงที่เรียกว่าอา น, นิจจังหรือว่าภาพนิจทะลักษณะนะ คนไทยสมัยก่อนจะเรียกธรรมะนะโดยเพราะไตรักเนี่ยเรียกแบบยกจ้องนะเรียกว่าพระอนิจจาเรียกว่าพระอนัตตาเรียกเพื่ออะไรเรียกเพื่อให้รู้ว่ามันมีประโยชน์นะมันเป็นมันเป็ น, น, ปนสิ่งที่มีค่ามากนะนน ถ, ถ้าเราถ้าเราถ้าเราเกี่ยวข้องกับอนิจจังหรือพระอนิจจาถูกนะ มันก็ทําให้เราไม่ทุกขนะ์อ น, นิจาเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยมันทําให้เกิดความเจ็บปวดนะมันหมายถึงความพัดพรากหมายถึงความสูญเสียหมายถึงความเสื่อมสลายหมายถึงความวิบัตินะไม่ต้องพูดถึงความแก่ความเจ็บและความตายแต่ว่าถ้าเราเข้าใจนะถ้าเราเข้าใจพระอิจาเนี่ยนะก็สามารถจะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้ หรือถ้าเราเข้าใจพระอนัตตาเนี่ยก็ช่วยทําให้เราพ้นทุกข์ได้คนโบราณจึงเรียกความจริงว่าเป็นพระนะเป็นพระนิจยัยเป็นพระอนัตตาเพราะก็คือธรรมะเหมือนกันและเป็นธรรมะที่แสดงอยู่ตลอดเวลารวมทั้งแสดงให้เราเห็นเมื่อวานนี้แล้วก็จะแสดงเราเห็นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าเราใคร่ควรพิจารณานะมันก็จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยนะ อยู่เหนือความทุกข์ได้ความทุกข์ที่เกิดจากอ น, นิจจงนะความทุกข์ที่เกิดจากทุกขังความทุกข์เกิดจากอนัตตาเนี่ยมันก็สามารถทําให้เราเนี่ยพ้นจากความทุกข์ได้นะถ้าหากว่าเราใคร่กลวนจนเกิดปัญญาเนะนี่ยคำเดียวพื่นเท่านี้นะกราบพระ